จิตนี้ละเอียดยิ่งนักผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามที่ใครเพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อธิบายความจิตชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะเป็นนามธรรมาอยู่เหนือวิสัยของจักสุไม่อาจสัมผัสได้ด้วยอวัยวะสัมผัสทั้งห้ามีตาหูจมูกเป็นต้นชื่อว่าละเอียดยิ่งเพราะมีอารมณ์ละเอียด จิตโดยธรรมชาติเป็นสิ่งละเอียดประณีตและผ่องใสที่เศาวมองและอยาไปก็เพราะอาคันตุ ก, กากิเลนการรักษาจิตย่อมมีค่าสูงกว่าการรักษาสิ่งใดเพราะจิตที่คลุ้มครองแล้วนำความสุขมาให้พระศัสดาตพรพุทธพจน์นี้ปร่าลรบิณภิกษุรูปหนึ่งผู้กระสันจะสึกมีเรื่องดังนี้เรื่องภิกษุผู้กระสัญจะสึก พระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงถามภิกษุผู้คุ้นเคยกับสกุลของตอนว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ภิกษุนั้นตอบว่าให้แบ่งทรัพย์เป็นสามส่วนส่วนหนึ่งไว้ลงทุนประกอบการงานส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรพันยาและครอบครัวอีกส่วนหนึ่งไว้ทาบุญให้ทานมีสลกพัเป็นต้นบุตรเศรษฐีได้ทาตามนั้นแล้ว ต่อมาเขาได้ถามถึงบุญอันยิ่งขึ้นไปอีกภิกษุได้บอกให้รับสินห้าพร้อมด้วยสรณะสามคือพุทธธรรมและสังฆะให้รับสินสิบเขาจึงมีชื่อต่อมาว่าอนุปุพพะเศถีบุตรแปลว่าบุตรเศรษฐีผู้ทาความดีตามลาดับต่อมาเขาถามพระว่าจะทำอย่างไรต่อไปอีกจึงจะได้บุญมากพระบอกให้บวชเขาก็บวชได้พระผู้ ทรงวินัยเป็นอุปชาผู้ทรงอภิธรรมเป็นอาจารย์อุปชาญาอาจารย์ของเธอคอยสั่งนั่นสั่งนี่อยู่เสมอว่านั่นควรนี่ไม่ควรจนเธอรู้สึกเอื่อมระอาเห็นว่าธรรมวินัยนี้คับแคบไม่มีที่เหยียดมือเหยียดเท้าจึงกระสันไข้สิทธเห็นไปว่าการอยู่ครองคราวาญก็สามารถให้พ้นจากทุกได้เหมือนกันเธอหมดความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่สาธยายอาการสามสิบสองไม่เรียนอุเทศ เป็นผู้ผอมซูบซีดร่างกายสะพังไปได้วยเซนเอ็นถูกความเกลียดครัดครอบงำเปลื่อนกลนไปได้วยหิดเปื่อยภิกษุทั้งหลายเห็นเธอแปลกไปจึงถามเธอบอกตามความเป็นจริงว่าอยากศึกเพราะเหตุนั้นนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนําเธอไปหาพระอุปชายะอาจารย์พระอุปชายะอาจารย์ได้นําเธอไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วจึงว่า ถ้าเธอสามารถรักษาสิ่งสิ่งหนึ่งได้ก็ไม่ต้องรักษาอะไรอีกทำและวินัยเป็นอันมากเป็นอันเธอรักษาได้หมดและมีความสุขเป็นผลด้วยรักษาอะไรพระเจ้าข่ารักษาจิตของเธอนั่นแหละพิสุข้าพระองค์พอรักษาได้พระเจ้าข่าพระศาสดาประธานพระโอวาทว่าถ้าประนั้นเธอจงรักษาจิตของตนไว้แต่ประการเดียวเธออาจพ้นทุกได้โดยวิธีนี้ดังนี้แล้วตรัสว่า สุดดสั่งสุนิปปูนังเป็นอาธิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้น